คือมหาพูดเนี่ยนะจะว่าไปเนี่ยมันเป็นสมบัติสาธารณะมหมาปูตุรุภนะูดินน้ําลมไฟมันเป็นสมบัติสาธารณะใช่ไหมแั้นถ้าใครมีมหาพูดเยอะๆนะมหาพูดตัว น, น้อยๆมันก็จะไปขอพึ่งใบบุญหน่อยนะก็อยู่ด้วยกันไปอะไรกันไปก็ใครไปยึดถือก็ถือว่าเป็นของผู้นั้นไปนะถ้ากรรมมาชรูปเข้าไปครองเข้าไปยึดถือก็เลยสําคัญว่าเป็นของบุคคลนั้นไป ปันพนะงค์สอนถูกแล้วว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะถูกจริงๆอ่ะ น, น ะ, ะถ้าของเธอจริงๆเธอก็ต้องดูแลได้สิใช่ไหมแต่ น, นี่ไม่ใช่เนี่ยเนะี่ยจงละตนละฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้เสียเหมือนกันพระองค์นี่ยโลกวิถูเนี่ยนะรู้แจ้งโลกรู้แม้กระทั่งโลกแม้กระทั่งโลกคืออากาศเป็นต้นว่าใครไปอยู่ที่นั่นอยู่ณนะที่ไหนตำแหน่งไหนต่างๆเนี่ยพระองค์รู้หมดอ่ะ น, นะ แต่หลายเรื่องพระองค์ก็ไม่เอามาพูดไม่เอามาแสดงเพราะว่าถ้าเขาปฏิเสธจะได้บาปเป็นอันมากเลยนะมีตั้งหลายๆอย่างอย่างอ่านคัมภีร์เปตะวัตถุกับถ้าเรารู้จักภาพมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยหกเจ็พันล้านเนี่ยถ้าเก็บหน้ามาให้ดูทุกอย่างนะที่เราอ่านในพระไตรปิฎกจะไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยเนี่ยนะไม่ไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยอย่างที่เรียกว่าอะไรนะผลของกาเมสุมิจฉาจารย์อันทะเท่าเท่าหม้ออย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนโอ้มันจะจริงหรือบอกตอนนี้เรื่องปกติ เนี่ยมันจะเท่าโน่นแหะกระจาดนั่นแ่ะหุ้มใหญ่จริงจริงเท่าใหญ่กว่าศีรษะอีกนะแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างบอกคนหัวขาดเนี่ยนะอย่างเด็กในคําที่ที่มันไม่มีหัวเลยนะคลอดมาก็ตายอย่างนี้ก็มีมนุษย์เหมือนกบเหมือนเอ่งเหมือนเขียดเหมือนอะไรมีเต็มไปหมดอะแล้วก็มีรูปร่างอะไรนะผิวเหมือนงูเหมือนลิงเหมือนอะไรมีขนทั้งตัวเลยก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยมีขนทั้งตัวไปหมดเลยเหมือนลิงเลยนะมีขนแต้มไปหมดเลย ก็มีนั้นก็มีสารพัด ท, ที่จะมีนะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยมันควรแก่การเบื่อหน่ายจริงๆ น, นะมันจึงไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปนึกสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นสมบัติชั่วคราวเนี่ยนะนะโลกวิถูเหล่านี้พระองค์รู้แจ้งหมดนะนะรู้แจ้งโลกแต่ว่าชอบอยู่คําหนึ่งคือพระองค์พรากแล้วจากโลกนะนะพรากจิตออกจากโลกโดยประการทั้งปวง ไม่ใช่ผู้ค้องโลกนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้คล้องโลกแต่เป็นผู้พรากแล้วจากโลกแล้วก็สอนให้ผู้อื่นพรากจากโลกด้วยส่วนศาสถาเทวมนุษสานังเนี่ยนะคือเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุที่เป็นผู้สอนเทวดาและมนุษย์พนะระองค์ก็สอนคือสอนอยังไงสอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าและก็สอนประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะ อีกคำหนึ่งคำว่าสาถาเนี่ยนะก็ศาสดาตัวเนี้ยเปรียบเหมือนนายอะไรนะหัวหน้าหัวหน้านายเกวียนเนี่ยนะเรีกเยกนายอะไรนะนายนายกองเกวียนอะ่ะนายกองเกวียนเนี่ยก็พาลูกกองเกวียนให้ข้ามทางกันดา n ฉันใดยัข้ามจากทางกันดา n คืออันตรายโดยประการต่างๆนายหัวหน้ากองเกวียนก็พาข้ามไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็พาข้ามจากทางกันดา n คือชาตินี่นะ กันดารจริงๆอะนะเพราะไม่รู้จะไปเกิดคันที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะพระองค์าพาข้ามจากชาติพาข้ามจากชรามรณะโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาติพระองค์าพาเราข้ามจากนรกข้ามจากเปรตข้ามจากเดรชานข้ามจากหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะข้ามพ้นจากวัตตะในภูมิสามอันพระองค์คือศาสดาคือผู้พาหมู่สัตว์ให้ข้ามจากโอะสงสารกันดานคือวัตตะเนี่ยนะ ทีนี้พระ อ, องค์ก็พาหมู่เท ว, วดาและมนุษย์ข้ามของเราก็เป็นลักษณะวันนั้นอะไรเดินตามรอยเก่าที่ท่านข้ามกันไปแล้วนะดูว่าจะข้ามทันท่านหรือเปล่าไม่ทราบเผื่อจะข้ามทันบ้างนะเดี๋ยวจะไปดูร่องรอยที่เขาข้ามมาเขาข้ามกันตรงไหนนะก็เขาเออนี่นี่ตรงนี้นะทำมาจากเขาข้ามไปสิบแปดโกรดเนี่ยนะไปดูแต่ดูร่องรอยไปดูร่องรอยเออตรงนี้เขาข้ามหนึ่งพันอย่างเงี้ยนะ ตรงนี้เขาข้ามแปดหมืนสี่พันเนี่ยนะตรงนี้เขาข้ามหาประมาณไม่ได้ตรงนี้เขาข้ามโอ้หลายสิบโกดอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเราก็จะไปดูที่เขาข้ามนะไปดูทําเลไว้ก่อนก็ยังดีว่าเขาข้ามตรงไหนอะนะแต่ตอนนี้เราเรียนวิธีข้ามแลนะ้วจะไปดูที่เขาข้ามได้แล้วว่างหรือไพุทธโธก็คือพุทธะเพราะเหตุที่ทรงรู้สัจจะทั้งสี่เนี่ยนะต ร, รัสรู้สัจจะสี่เรียกว่าพุทธะ พุทโธก็คือผู้ตื่นหรือผู้กำจัดราคะโดยส่วนเดียวผู้กำจัดโทสะโมหะโดยส่วนเดียวผู้กำจัดบาปอากุศลกิเลสทิฏฐิทุจริตโดยส่วนเดียวแล้วก็ผู้ตื่นแล้วแล้วก็ผู้ปลุกสัตว์อื่นให้ตื่นด้วยนะปลุกสัตว์อื่นให้ตื่นด้วยนะเป็นผู้เบิกบานด้วยอะไระเบริกบานด้วยสัพพัญญุตยานเนี่ยนะเบิกบานด้วยความรู้โดยประการทั้งปวง พักาวา่กาพว่าก็คือผู้มีพักคธรรมเพราะเหตุที่สมบูรณ์ด้วยพักคธรรมหกประการพักคธรรมก็คือเช่นยศเป็นต้นนะนะบุญเป็นต้นหรืออีกนายหนึ่งพักาว่าก็คือผู้จำแนกแจแกแจงธรรมรัตนะจำแนกแจแกแจงอะไรสติประธานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพชงอง์มัก จำแนกขันธาตุอยายตนะขันเหล่านั้นก็ไปมาจำแนกเป็นกุศลอกุศลอภพยากตะเป็นต้นมันก็จำแนกทำโดยประการทั้งปวงหรือพักวาแปลว่าผู้มีส่วนก็ได้ผู้มีส่วนแห่งโพธิปัจจัยธรรมเป็นต้นนั่นเองทีนี้คำตรงๆอย่างนี้นะตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโรปุริสธรรมสารถีสาถาเทวมนุษย์นังพุทโธพักวาอันนี้เป็นคำตรงๆในการเจริญ พุทธคุณทีนี้มาดูคําไวัยพ์คือคําที่สามารถอธิบายพุทธคุณได้เช่นพระนิพพติคโตผู้ถึงความสําเร็จในกําลังสิบคือผู้มีกําลังสิบประการมีฐานะฐานาณเป็นต้นเนี่ยนะฐานาฐานัญเป็นต้นนั่นเองนะเตรรมาวิปากยานสัพพัทคามินีปฏิปทายา น, ยา น, นหรือเวสารัญผู้บรรลุเวสารัชธรรมญานที่ทําให้พระองค์เป็นผู้ ถึงความก ล, วกล้ากล้าที่พระองค์ถึงความกล้ากล้านะั้นไม่มีใครจกมักกล่าวตูพ่พระองค์ตําหนิพระองค์โดยชอบธรำโดยสหธรรมได้เลยว่านี่นะท่านยังท่านบอกว่าท่านเป็นผ้าหันท่านยังเหลือกิเลสไม่มีใครไปโจมตีโดยชอบทำถูกต้องว่าพระองค์ยังเหลือกิเลสนะมีอยู่คนไม่กี่คนนะมีนางจินจัมมานวิการนี่แหละที่ไปโจมตีว่าพระพุทธเจ้ามีกิเลสทําให้นางคันนะกนะ็แต่เทวคนที่เหลือคนที่มีปัญญาจริงๆเขามีใครทําขนาดนั้นหรอก อย่างพระเทวทัตเนี่ยทำร้ายพระพุทธเจ้าเทวดาเขาบอกอุย้ยนี่คนตาบอดชัดๆเลยเหมือนกันนี่คนไม่มีตานะขนาดคนดีขนาดนี้ยังทํายังทําร้ายท่านได้อ่ะเหมือนนสมัยที่พระเทวทัตกลิ้งเห็นทับพระพุทธเจ้านะแต่ว่าสะเก็เห็นไปโดนพระองค์พระองค์ก็สเสวยความเจ็บปวดเทวดาก็ตําหนิพระเทวทัตใหญ่เลยว่าอุย๊ยนี่เทวเทวทัตทําไมไร้ดวงตาขนาดนี้ มนะันพระองค์นี้เป็นพระขีนาศทําลายอาสวะโดยสิ้นแล้วและพระองค์ก็เป็นสัมมาสัมพุโทโธใช่ไหมปฏิญาณว่าเป็นผู้รอบรู้ในธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันสังคตะอสังคตะเนี่ยนะมันพระองค์นี่รอบรู้ทั้งหมดโดยถูกต้องโดยประการทั้งปวงโดยไม่มีอะไรมาปิดขั้นไม่มีใครไปบอกว่านี่สมณะโคโดมท่านยังไม่รู้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะบอกให้เอาบุญอยังไงนะไม่มี แลไม่มีใครไปกล่าวเช่นนั้นกับพระพุทธเจ้าผู้มีสมัญตะจักสุผู้มีจักสุโดยรอบเนี่ยนะทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอีกชื่อหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่แสดงว่าอะไรนะกิเลสที่เป็นอันตรายยิ่งกระเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทำใดเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลสิ่งนั้นเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลจริงๆเช่นพระองค์บอกว่า ผู้ที่เป็นอาบัตแล้วไม่ยอมทําคืนอาบัตอันนี้เป็นอันตรายต่อมรรคผลเขาเรียกว่าอานาวีติกมะหรือผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอาเหตุกะบรรลุมรรคผลไม่ได้เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรวิปากันตรายผู้ที่ทํากรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่า พ, าพระหัตถทําสังฆเพททําโลเลือดของพระพุทธเจ้าให้หอเพื่อนี้ก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เรียกว่ากรรมมันตรายหรือผู้ที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิ น, นะถือว่ากรรมไม่มีผลเป็นต้นพวกนี้ก็บรรลุมรักผลไม่ได้เรียกว่ากิเลสันตรายเนี่ยนะหรือผู้ที่เข้าไปว่ารา้ายภ้าริยะดูหมิ่นดูถูกภ้าริยะก็บรรลุมรักผลไม่ได้เรียกว่าอริยประวาติเข้าไปว่าร้ายผ้าริยะนั้นสประการอันนี้เรียกว่าพราะองค์รู้อันตรา ย, ยิกรรมว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือนิยานิกะธรรมเทศนาโพธิปัจฉยธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยนะ เป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะนำออกจากทุกข์จริงๆเรียกว่านิยานิกรรมเททสนานะพระองค์นี้เป็นผู้ถึงเวสาลัชยานสี่ประการจึงทําให้พระองค์นี้กล้าองอาจคารามได้อย่างราชสีเนี่ยนะก็เรียกว่าบรรลือีหั น, นาถประดุดราชสีประกาศโดยที่ไม่ต้องขนพองสยองเกล้าไม่รู้สึกกลัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็แสดงโดยชอบธรรม อาทิคตับ อ, อาทิขตับปฏิสัมพิโธแปลว่าผู้บรรลุปฏิสัมพิธาสประการเลยบรรลุอะไรอัถฐธรรมะนิโรติและปฏิสัมพิธาเนี่ยนะนิโรติปฏิพานปฏิสัมพิธาก็บรรลุปฏิสัมพิธา4ประการผู้บรรลุเวสารัชยานญานที่ทําให้เป็นผู้แกล้วกล้าอาทิขตับปฏิสัมพิโธผู้บรรลุปฏิสัมพิธาเนี่ยนะผู้บรรลุปฏิสัมพิธา ปฏิสเอว่าไปแล้วนี่จะตุโยค้าวิปหิโนก็คือผู้ละโยคะสี่ประการได้ละโยคะสีก็คืออะไรอะนะกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายโยคะโยคะคือเครื่องประกอบพัวพันผูกพันในวะตะัตตนี่พระองค์ละได้หมดเกลี้ยงแล้วอัคติคมณะวีติวัตวัตโตเนี่ยนะ ผู้ล่วงพ้นการถึงอคติคือพระองค์ไม่มีอะไรไม่มีฉันทาคติไม่มีโทสาคติไม่มีโมหาคติและไม่มีพยาคติละอคติทั้ง4ประการได้หมดเกลี้ยงอุทะทตตะสันโแลแปลว่าผู้ถอนลูกศรได้แล้วทุกถอนลูกสอนคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหลูกศรคือความสงสัยลูกศอนคือความโศกลูกศรคือคือทุจริตเป็นต้นเนี่ยพระองค์ถอนได้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะ ของเรานี่ถูกปักไว้กี่ซี่ะปักหมดเลยนะมีลูกศรเท่าไหร่ยิงมารับหมดแล้วก็พระพุทธเจ้านี่ถอนได้หมดแล้วเนี่ยนะนี่รูหะวโนเนี่ยนะผู้มีแผลที่เกิดจากกิเลสอันหายแล้วหมายความว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีแผลเต็มไปหมดเลยพระพุทธเจ้านี่รักษาแผลหายหมดแล้วเนี่ยกิเลสประดุดแผลใช่ไหม อะไรมั่งกิเลสดุดแผลก็คือโทสะนะพระพุทธเจ้านี้ไม่มีโทสะมูสัตว์เนี่ยถ้ามีโทสะอยู่นะเหมือนกับคนมีแผลจริงๆโดนอะไรนิดหน่อยก็สะเดิดเจ็บไปหมดเลยนะคนมีแผลนี่จริงๆเลยน ะ, ะสะเดิดนิดแปล ว, ว่าสะดุ้งอ่ะนะเป็นภาษาทางภาคอื่นไม่ใช่ภาษาไทยเราไม่ใช่ภาคกลางอ่ะนะเอามาไปลหลายๆแห่งไปเก็บมามีทีละคำสองคามาบวกๆ ก, กันเข้าไปเดี๋ยวก็เยอะเองแหละคือเป็นผู้ที่ไม่มีแผลแล้วเนี่ยนะ อันนั้เป็นผู้ไร้แผลถ้าคนมีแผลเนี่ยนะเขาว่านิดว่าหน่อยก็ร้อเจ็บใจอยู่นั่นแหละผูกเวรผูกไก่บาทอยู่นั่นแหละอันนผู้ที่มีแผลเนี่ยเป็นเจ้ามีโทรสะเป็นเจ้าเรือนเนี่ยนะใครกระทบนิดใครว่าหน่อยพอ ม, มาสังเกตดูนะบางคนเนี่ยทําไมเขาช่างหาเรื่องเจ็บใจให้ตัวเองบ่อยนะไอ้ทำมันคนนั้นเขามองหน้าเราทําอะไรไอะเขาพูดอย่างเนี้มันหมายความว่าอย่างไางเขาบอกงั้นนะเขาก็พูดด้วยโทรสารนะ มีนะเนี่ยนักศึกษาธรรมะนี่แหละเขามาก็แปลกใจมาถึงทุกวันเนี่ยว้าหาเรื่องจนเดือดร้อนจนได้เขาถามเราทําไมก็ว่ากงั้นไอเขาถามอย่างงี้เพื่อประสงค์อะไรเอา้าทําไมไม่ไปถามคนพูดมาถามอะไรอาตมาเนะี <c> ่ย <oughs> เราก็มานั่งฟังเขามาแล้วโอ้ยนี่นะกระโถนท้องพระโรงเรื่องมันเป็นเรื่อง เ, เราต้องไปฟังหมดเรื่องที่มูราที่มาแห้งก็ฟังไปหมดเลยนะ <c oughs> แล้วก็ผู้มีแผลทั้งหลายเนี่ยนะก็ แค่เขามองหน้าหรือเขาไม่พูดด้วยก็เดือดร้อนนะโกรธเขาอีกจนได้โกรธที่เขาพูดด้วยบ้างโกรธที่คนอื่นเขาไม่พูดด้วยบ้างโกรธที่เขาไม่ยิ้มให้ก่อนบ้างอะไร้ยเานั้นโกรธไปหมดอ่ะนะฝนตกแดดออกฟ้าผ่าลมพัดหนาวร้อนโกรธไปหมดรถติดก็ยังโกรธเลยนะนะบางคนขับรถไปก็เป็นจราจรเบ็ดเสร็จหมดจากรถซ้ายรถขวารถหน้ารถหลังรถจะแสงรถแสงซ้ายแสงขวาเนี่ยบ่นเต็มไปหมดเลยนะ ทำไมไม่แซงโน้นทำไมไม่ชาดหน่อยอะไรเนี่ยก็พูดให้คนข้างๆฟังอ่ะนะไม่ใช่คันหน้าหรอกพูดให้คันนั้นฟังก็เดือดร้อนอนะ่ะคั้นพวกมีแผลทั้งหลายเนี่ยมันเจ็บไปหมดเลยนะคิดเรื่องอะไรก็เจ็บปวดไปหมดแนะ่ะพระพุทธเจา้าแผลเหล่านี้พระองรักษาหายหมดแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องหวาดเสียวอะไรอีกต่อไปส่วนมัตติตกันตะโกผู้ทําลายเส้นน้ําได้แล้วหมายความว่า ใครเคยดูดน้ําน้ําปักบ้างท่าน้ําน้าปักที่เล็บด้วยนะเหมือนเหมือนกับเสี้ยนปักนะนะโหโดนเสี้ยนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะน้ําทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเวลาเดินแล้วเหยียบน้ําน้ําบางอย่างเช่นน้ําระกำเนี่ยนะมันเป็นน้ําชนิดไม่เหมือนน้ําอย่างอื่นเพราะมันมีอะไรนะมันมีมันมีเงี่ยงมีอะไรนะมีแง่งอะนะแง่งแงออกข้างข้างน้ําอ่ะเวลามันปักนะบ่งออกยากมันจะต้องขึ้นขไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทะลุมันเองนียนะ พวกน้ำกลุ่มนั้นพวกน้าระกรรมน้าอะไรเนี่ยนะระกรมป่าเนยะมันก็เสี่ยนน้าที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะมันจิตเนี่ยนะมันเนเหมือนกับเป็นน้มไปหมดเลยนะรูปตรงไหนก็เจ็บปวดไปหมดพวกอุปมาเนี่ยนะพวกอยู่ป่ามากๆจะรู้ดีเนี่ยนะเพราะน้าบางอย่างนะน้น้ า, นาบางต้นไม้บางต้นเนี่ยนะนามมันยาวเป็นหลา ย, ลายนิ้วเลยนะแต่ถ้าใครเดินไปชนหรือไปปักเข้าเนี่ยโหเจ็บปวดมากเลย น้ำบางอย่างเนี่ยของมาเห็นประจําสมัยที่อยู่บ้านเมื่อก่อนนาอต้นน้ําตัวนี้เนี่ยน้ํายาวมากๆเลยเหมือนกับต้ น, ต, นต้นส้มโอะนะหรือส้มโอบางต้นจะมีหนามนะแต่ว่าไอ้หนาตัวนี้มันยาวกว่านั้นอีกใหญ่กว่านั้นอีกแล้วก็เออมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เดินชนต้นนิ้ว <c oughs> อันนี้นะอะไรใช่บางแห่งเนี่ยในป่าบางแห่งนี่นนมีต้นนิ้วอ่านะต้นมันก็มีมีหนามเต็มไปหมดเลยนะ ไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยเคยช น, นต้นนิ้วอยู่เหมือนกันลืมไปเราเดินไปไหมเราก็เดินดูที่อื่นเดูปักเข้าไปเลยนะหนามนิ้วนี่ที่นรกเนี่ยนิ้วหนามแค่สิหกนิ้วเองเห็นไหมหนามแค่สิบหกนิ้วอ่ะนะไม่เท่าไหร่นะแล้วก็อย่าไปเกิดสิบหกนิ้วก็ดูว่าคืบกว่า แล้วก็คมบาดคมกริบเลยเหมือนคมเลื่อยเลยแหละนะตั้งหัวมันพ่อพ่อองค์นี้ทําลายเสี่ยนน้ําเหล่านี้ออกมาหมดแล้วแล้วก็น้ําบางอย่างนี่มันมีพิษใช่ไหมทั้งเป็นน้ําสัตว์ด้วยนะเช่นอะไร น, ะ น, รนั้นนะ้ําปลาดุกเนี่ยนะปลาดุกเขาเรียกอะไรเงี่ยงเงี้ยงปลาดุกเนี่ยนะโหมันขีดทีเนี่โอ้เจ็บปวดเลยนะแล้วมันมีปลาหลายตัวที่มันเจ็บมากๆเลยนะพวกเงี้ยงพวกน้ำพวก น, วกนี้ทิ่มใครเข้าไปแล้วเดือดร้อนเลย ทีนี้ระวังนะว่าอย่าใช้วาจาที่เป็นหนามไปเที่ยวทิ่มคนอื่นก็ล่ะนะผู้ที่มีหนามมากๆนี่มันโชว์เรื่อยใช่ไหมมันเอาไปขูดพวงนั้นทีขูดก้นนี้ทีจนคนอื่นก็เลือกซิ บ, ซ, บซิบมาใ น, นแหละแล้วมีความสุขดีแสดงว่าพวกนี้วิฏฐฐาน น, านะดูเลยแต่วิตฏฐฐานถ้าโดยสับแปลว่าพิสดาร น, นะแต่แปลวิฏฐฐานตัวนี้มาจากคําว่าวิปริตเนี่ยนะต่อไปก็นิพพานิพพานิตตะปริยุทธาโน ο. ผู้ดับปริยุทธานกิเลสได้แล้วนะคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกลุ่มรุมการมาฉันทานิวร์พยาบาทีนัมิธาอุทะจักุกุจาวิจิกิจชาที่จะมากลุ่มรุมสภาพจิตให้จิตเศร้ามองไม่มีไม่มีเครื่องกั้นนะเมื่อพระองค์ไม่มีนิวรเนี่ยพระองค์เนี่ ย, ยจึงมีจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมไปเพื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมน้อมไปเพื่อรู้รสชาติก็ได้น้อมไปเพื่อรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายก็ได้น้อมไปยังไงก็ได้ พันธนาตีโตผู้ล่วงพ้นจากเครื่องผูกแล้วเนี่ยนะก็คือไม่ถูกโซ่มันล่ามเอาไว้แล้วเนี่ยนะที่ที่ถ้าเทียบกับหมูสัตว์ทั่วๆไปใช่เครื่องพันธนาการเนี่ยถูกโซ่โซ่เนี่ยล่ามเอาไว้ล่ามไว้ที่ไหนบ้างเขาบอกว่ามัดย่อนๆแต่แกได้ยากเพราะงั้นก็โซ่เขาบอกว่าก็มีนะมีโจรเมืองราชเเครือนี่ตำรวจเขาจับโจรมาได้ใส่โซ่คอโซ่มือโซ่เท้าเนี่ยนะ ใช่แล้วก็เดินไปลากพระพิสูจน์เดินเป็บินทบาทเห็นก็บอกโอ๊ยถูกโซ่ล่ามขนาดนี้เนี่ยนะโพง ก, ก็บอกอ่าโซ่อย่างนั้นนี่มันแก้หลุดไม่ยากหรอกมันมีโซ่ที่แก้ยากกว่านั้นอีกอนะเขาบอกว่าอะไรมือสองข้างถูกล่ามไว้ที่การงานเท้าสองข้างถูกล่ามไว้ที่ไหนที่บ้านคอก็ถูกล่ามไว้ที่ไหนที่ลูกไงนะบวงผูกกันนะพวกนี้หลุดยากมากๆเลยนะ บอกว่าฉั้นราคาในทรัพย์สินเป็นต้นเนี่ยนะแก้ยากที่สุดเนี่ยนะละยากที่สุดเพราะถ้าหากว่าตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ส่วนคันธะนิเวทโนผู้แก้เครื่องผูกคือคันธะได้แล้วเนี่ยนะคันธะมีสี่ใช่มหนึ่งอภิชากายคันธะพยาปาทากายคันธะศีลพภตาปรามาสกายคันธะอิทังสัจจาพินิเวสะกายคันธะคันธะคือเครื่องผูกเหล่านี้พงค์ถอนหมดแล้วเนี่ยนะ ตัดหมดแล้วอัจชาสยะวีติวัตโตผู้ล่วงอัจชาใสที่ไม่ดีอัตยาศัยอย่างเลวเนี่ยนะหนึ่งมิจฉาทิฐิมีอัธยาศัยเป็นมิจฉาทิฏฐิอุเชธาทิฐิสัสตธทิฏฐิอัตยาศัยที่เป็นการมัธยาศัยโทสัธยาใสโมหัธยาศัยทีนะมิทัตยาศัยเนี่ยนะอัตยาศัยไปใน มิจฉาทิถิอัธยาศัยไปในกามอัธยาศัยไปในความพยาบาทในความเบียดเบียนในความง่วงนอนไปต้นอัธยาศัยไม่ดีเหล่านี้พระ อ, องค์ละได้หมดแล้วส่วนพินนาธิโกรผู้ทําลายความมืดคือโมหะได้แล้วตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมาใช่ไหมดวงอาทิตย์ขึ้นมาฟ้าสางรุ่งอรุณขึ้นมาเนี่ยนะดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ทํากําจัดความมืด ไม่น่าเชื่อนะที่มืดมืดในดวงอาทิตย์สองขึ้นมาและสว่างหมดฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาในโลกก็ทําโลกให้สว่างสวยมองเห็นอริยสัจขึ้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มหมอกมาเริ่มปกคลุมไปเยอะแล้วเกือบจะมืดตามเดิมแล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ทําลายความมืดคือโมหะของพระองค์เองและก็ของหมู่สัตว์อื่นด้วยจักขุมาพระองค์ผู้มีจักขู่ห้าประการคือมีพุทธจกักขูมีอะไร ปัญญามังสะจกักขุพุทธจกักขุยานจากักขุสมมันตะจักสุอะไรนะทิพยจกักขุเป็นต้นเนี่ยนะโลกธรรมมสมติกตันโตผู้ก้าวล่วงโล ก, กธรรมแปดแล้วหมายคือว่ า, าลาบยศสรนเสริญสุกพระองคก็ไม่ติดข้องเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาความทุกข์พระองก็ไม่เสียใจเนี่ยนะพรจึงบอกว่าถ้าเอามีดข้างหนึ่งมาถาก ข้างนึงนะถากร่างกายข้างหนึ่งข้างนึงของหอมมาทานี่นะพอง ก, ก็มีจิตเสมอกันอนุรุธวิโรธวิปยุตโตอิทาอิทธานิเทสุธรมเมสุผู้ไม่ประกอบด้วยความยินดียินร้ายในอิทธารมและอนิทารลมหมายคือว่าเจออิถารลมก็ไม่ยินดีเจออนิทารลมก็ไม่ยินร้ายนี่นะมันถ้าพระ อ, องคยินดียินร้ายเนี่ยพ อ, อง์เห็นพรมนี่สงสัยจะยุ่งเลยเหมือนกันนะ เห็นเทวดาเป็นต้นนิสัยจะเดือดร้อนมากๆเลยนะีหรือเห็นสัตว์นรกใสจะสะดุ้งกลัวเลยเนะี่ยในความที่พระองค์ล่วงอิทธารมณและอ น, นิธารมได้ทั้งหมดพระองค์จึงไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวสะดุ้งด้วยโทสะหวั่นไหวด้วยตัณหาเนี่ยไม่มีเห็นไหสังเขปะคตโตพูดถึงนิพพานที่มีคุณอันนับไม่ได้เห็นไหมก็มานิพพานเนี่ยมีคนเนี่ยอนับไม่ได้เนี่ยนะคือสิ่งที่นับได้นี่คือสังขารธรรมพันธนา ติวัตโตผู้ล่วงพ้นเครื่องพันธนาการได้แล้วเนี่ยนะหมายคําว่าโซ่ตรว น, นี่หลุดหมดแล้วว่างั้นทปิตะสังขาโมผู้หยุดยั้งเสนามานได้แล้วเนี่ยนะเสนามานมีอะไรบ้างมีตันหาเป็นต้นเรียกว่าเสนามานพระองค์ก็ทําลายหมดเรื่องอภิกันตะตโรผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายอันนี้ประเสริฐกว่าอะไรเขาบอกว่าเมือง เมืองราชเครคมีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ยิ่งที่สุดใช่ไหมพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารแคว้นโกสนกับแคว้นกาสีมีพระเจ้ากโกศลเป็นที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าประสเสนที่โกศนพระพุทธเจ้าก็ยิ่งกว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเมืองอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันนะบรรดาพราหม์ทั้งหลายมีกูตันตพราม์เป็นต้นประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐกว่าท่านเหล่านั้นอีกนะบรรดาอุบาสกทั้งหลายมีอนาถมินทิกาเป็นต้นพระองค์ก็ประเสริฐกว่าท่านเหล่านั้น บรรดาเทพชั้นจตุมก็เท้าสักกะประเสริฐที่สุดพระองค์ก็ยิ่งกว่าเท้าสักกะสวรร์ชั้นดาววดึงเนี่ยนะพระองค์ยิ่เลิศ ก, กว่าเท้าสักกะเป็นต้นก็ไล่ไปจนถึงพรห ม, มโลกพระองค์ก็เลิศ ก, กว่าเท้ามหาพรหมก็เลิศ ก, กว่าพรหมทั้งหลายมันก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายก็เป็นหัวหน้ายิ่งกว่าหัวหน้าผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย อา ก, กาทโรผู้ทรงถือคบเพลิงคือปัญญาเนี่ยนะไปที่ไหนก็ส่องประทีปให้โลกเนี่ยปราศจากความมืดอาโลกาโกรผู้กระทำแสงสว่างคือปัญญาปัจโชตะกะโกรผู้ทําความรุ่งเรืองคือแสงสว่างปัญญานั่นแหละตโมนุโทผู้ทําให้ความมืดคือโมหะหายไป ระนันโฉโหผู้สละทิ้งกิเลสเครื่องเศร้าหมองอปริมาวนโวโนผู้มีคุณอันประมาณไม่ได้ น, นะก็ไม่มีใครนับคุณพระพุทธเจ้าได้อปมัยยะวนโนผู้มีคุณอันเปรียบไม่ได้อสังขยะวนโนผู้มีคุณอันนับไม่ได้อพังกโรผู้ทำแสงสว่างประพังกโรผู้ทำรัศมีนะถ้าเห็นดวงอาทิตย์ส่องรัศมีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้เลยธรรมโมภาสปัจโชตกร ผู้กระทําทความรุ่งเรืองด้วยรัศมีคือธรรมะคําวยพจน์นี้ชื่อว่าพุทธาพุทธาพระขวันโตก็ควรกล่าวในพุทธานุสตินิเทศเช่นเดียวกันอั้นใครจะเจริญพุทธคุณเอาถ้อยคําเหล่านี้มาเจริญพุทธคุณก็ได้นั น, นะก็จะเจริญโดยเลยหวิธีแต่ของเราทั้งหลายท่านก็สระอะไรขอนอบน้อมบูชาสักการะเป็นต้นเ น, น, นะที่ในอุบาลีวาทสูตรนั่นก็เป็นบทที่ควรสรนเริญพระพุทธเจ้าโดยประการต่างๆนะ สำหรับเช้าวันนี้เนติปกรณ์ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน